แล้วภากันฉ like ันใช่ได้องแล้วขวดลวบอกดีายวผมว่าได้องแล้วขวดกับขวดทั้งสององเอาสันรับข้อมันไม่แล้วสันรับข้องมันไม่ยาพิเศษตั้งหาเลยฉันโมไปได้หรือข้าวข้าวงามยาพิเศษข้าไม่เลยฉันโมไปได้คัดต่อรคข้า เราเข้ายาพเี่อเข้ากัสันใช่ไีอัญญาคองฟเนี่ยเพเป็นตลวแรกคาตำรวจกิดคนหนึ่งสดสดกงบงงกิ๊บเทระคนหนึง่งปกับคีนิ้คนนึงมันมากแล้วไ่กัดอนของ่น หลายคนไปรนายกระซ่ารายข้นไปร้ก็ะยนลงมาเป็นถาดดินน้ำไฟล่มของเก่าน้อยค้นออกไปจากถาดดินน้ำไฟล่มหลายคนกระยนลงมาดินน้ำไฟล่มกระยนมาลงมาหาหลบขันน้ำขันขันคำว่าหาแกหาแกผ้าตายคือทุกคนขันเข้าไปขันเข้าไปขันพะขันถุหลบขันน้ำขัน แล้วไปเห็นไปไปท่านแล้วไปเห็นสรุปขันนาวขันนาโรก่อนที่เห็นสรุปขันนาวขันตามเป็นจริงมันก็เป็นตัวศีลเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาคือกันมันก็เป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ทั้งตัวคือกันเป็นพุทธศาสนาธรรมศาสตร์ศาสนาทังฆศาสนาด้วยกันเป็นแปดมือที่พระธรรมสันต์ด้วยกันเขาย้อนลงในสรุปขันนาวขัน เป่ายนโยธรรมะขาหนึ่งขันธทุกนะมนจากขันธท่าทุกขาคันหาเป็นทุกน์โลกเวชนาขัสัญาสังขาเป็นยากเป็นทุกเราไม่ตรงเว้นกังครื่องเไม่เอว่างเอว่างดังนี้แล้วมาว่าได้ร้องไม่เล้ว่าเอว่างจิงที่ว่ไม่ตรงเว้นงครื่องเรเกิดแก้แ็บใจจิงที่ว่าไมีตรงเว้นกงเครื่อง กิเลสกืนขี้ข้อยกิ่งพวกนี้กันไว้หนึ่ง้นงามได้เห่าลึกถึงธานถึงศีลถึงคาวนาเาของเขากิเลสก็ตลงจากข้อเขาได้จากน้อยงามเขาเศ้าแล้ถึงปีนขืนข้ออีกข้อคิดข้อใจของเขาเา้าโลกอันนี้ไม่จะขาวทุกอย่งหขาวขาดัชีวิตจะต้องขาวทุก ข่าวรักทรัพย์กับมันข่าวทุกข่าว่าเพื่อฟิตรในกามกับมันข่าวทุกข่าวฟูดปดกับมันขาวทุกข่าวดื่มสุรามไม่ได้กับมันขาวทุกขยะทรัพย์ก่อการจะเล่าว่าเกิดโลกจองที่เตียนไม่รู้จักอายพรกําลังปัญญาขาซัดกับขือขาเกิดมาไม่พบในศาสตร์มาพเป็นคนไม่อุสันรักของคนกับรักเข้า เกิดมาศาสนาเมียก็เมีย่อไหรเพลนกามารักเฮ้าอีกเห็นสูสูเมียเพลินผัวเพลินลูกเพลินร้านเพลินเกิดมากลูกเฮ้าร้านเฮ้าผัวเฮ้าเมียเฮ้าพี่เฮ้า น, น, น้องเฮ้าเพลินก็มาลูกอํานกาจเฮ้าพี่เฮ้ารูปอํานาจเพลินเว้นสนองเว้นไพ่สนองไพ่ผลออกจากนรกไปแล้วมีเบาหยอดที่สุดเนี่ย ผุดป้บตัวตายไปกต็ตกนวลหกไปองอมตัดลิ่น อ, อกกากาลโมหกอะไรก็เป็นเพสอา ก, กเพชไปอะ เ, เป็นทัตว์รีวช้างออกจากสัตว์รีช้างไปอะบรกเป็นมนุษย์เป็นก้นปากเหม็นจะบอกไส้เขาเขาว่าเสือ นี่อนไนมากกว่านีข้ขามาต่มมาตุนเมดโทษของดื่มสุราตายปัจจุบันกระทยทรัทบคอการฉลอยวัดเกิดโรคจองทีเตียนวรูจ้จะอายทั้างกำลังปัญญาตายไปกระจกมรหกตายอมพิบาลเอามีดเล็บแดงตัดลิ่น อานามเล็ดแดงกอกปากอยู่หันร้ายแสนปีในมนุษย์คมัดกับมานน่นมาเป็นเพลสกับเพลสมากหรมาเป็นทัพยที่ได้ขายเขามาออกมาออกมาไหมาเขวามาแน่วแน่แสนปีแสนปีคนนเพรมันจะออกมือนั่นออกเป็นสัตว์มือเป็นสี่ต่างแสนแสนปีในมหาวิบาตน์ไตหลกกับวิคาน ม, มหาวิบาก ค, คือผลของกรรมมันเป็นทุกข์มันเป็นหมหาวิบากน์โผล่เลยไม่ได เ, เอื่อนว่ามหาวิบาศนไตโลคกระวิถานฐานะของมหาวิบาศน์ได้ไตโลกราต่นี้ขันโมเว็นอันมเยเกิดมามเป็นคนเป็นคนาบาาไปเสียชีวิตเป็นมนุษย์เมื่อบริบูรณำไปโทดของการฟ้าหน้าไม่อายุสั้น เขาย่งยอมตายไปเขาย่งย่อมกันเอาไม่มาตัดมือตัดตีนตัดข้อเหตแทงเขาเผลแท่งเขากระมาแท่งเขาพเขา้อยิ่งเขาเป็นยิ่งเขามันเป็นปืนเนี้ยแหละมรรคกกันมันเป็นบรรดาลผลของกรรมมันเกิดขึ้นเองพอเพราะห้าวสามไว้แล้วมันก็เกิดขึ้นเนี้ยผลของกรรมฮวานเผยดเวลาเด้อ ทวารผืชดทั้งเบียดเบียดไ้แล้มันกร ะ, ระเกิดเนี่ยมรำงเหกืนทวารผือดหรือทั้ ง, งกุศลพจน์บุญกร ะ, ระเกิดเนี่ยสวรรค์ถ้าโทษกาเมศวิชาจานักโกมมนักํำเดียวกันทนาาั้นละโทษอาทิหน้าท่านกัดตีนสีมือเชลพญายม เอาเล็ดเดงมาตัดมื่โทษกาไม่ใช่หนี้ชิดช้าจานก็ตัดก็เล็กเด้งมาตัดองคชาตตัดองโยนี่ตัดทองห่องตายโกโก้กูห่องทะเลกับวะกูหน้าเล้าเล็กแทงตาได้เสียบใส่ห่องใจใจบะกูหน้าสงสารเลยย่าผ้ากันประมาในสมาสงสารบอกอันเมนี่มันทำสัน่นจำจำ ธรรมสันส LIKE. th <t> ูงทั้งนั้นบาปก็เป็นของสูงสูงไปทั้างสุขบุญก็เป็นของสูงไปทั้างสุขบาปของต่ําไปทั้างสุขกัแม่สูงไปทั้างสุขกัแม่บุญเป็นของสุขสุขอพราะผลญาชะวัจโย ความสะสมแห่งบุญนํามาซึ่งสุขทุกข์โผล่ปัสสะพุทธโยความสะสมแห่งบาปนํามาซึ่งทุกข์นี่เวลาสามความดีใจถึงทั้งสามควมดีเอาความดีออกมาอวดโลกมรอนที่เอาความชั่วออกมาอวดโลกมักอวดทุกคนเอาค้อมดีออกมาอวดกัน อยาเอาความสัวออกมา อ, อดใจถึงกูค้คนกู้คนเอาความดีมาเป็นเชียงใจถึงอยาเอาความสัวมาเป็นใจถึงคนเห่าพิษทุกคนทุกคนผู้ได้เกิดมาบ่าถือจะค้นเนาะบ่ได้ถือมาจะได้ท้อความพิษก็เป็นอาจารย์เท่ากันเพื่อหายเวรความถือก็เป็นอาจารย์เพื่อหายรักษาไว้เกิดน่าสางความดีใส้จั่ว รักจะของนจะเกิดมา ม, มันมาเกิดมาเบียเบียนจะขอข้าวขาซัดรับรัดตัวพื้นพิษในกล่ำดื่มโซดาไม่ได้ข้าวเวียนข้าวไผ่จะแม่นเห่าจ้ะข้าวเวียนจากขารัดรับซัดตัวพืพิษในกล่ำเข้าไปสวรรค์นในผ่านกันเป็นข้าวเพลินฮะเนี่ยเฮ่าบ่เฮ็ดเนี่ยนีท่านของเฮานี่ยมา เนี่ยขาวป็นเจ้าคาารรักพระพุทธเจ้าในความมีท่านวัดชีวัดพระวนาวัดนีท่านน้องเขานันกรดี๊ที่ก็ไปทั้งลุกกระตือไงมาเรวมาอยู่ในโูกพอลอยปีดาราสาสตร์แล้วพบนี่ยดาราศาสตรกระตายกันพลและเถื่อแกกันพลและเถือแล้วเจ็บกันพนและเถือตายกันคนและเถือแต่ะ บ่ได้รอนชัวร่อยปีบ่ได้ร้อนชัวหกบปีกับ่ได้ร้อนชัวหาชิบปีกับ่ได้ร้อนเมื่อสวรรค์วื่อนรกไม่อายุยืมยืหลายก็มามนุดโลกสันสวรรค์สันพ่อมบิดสันดาวดึงหาชิบวันหาชิบคืนจึงเป็นวันึ่งคืนึังในสันดาวดึง สันจว่าสัญญ า, ารลอยมือลอยขื้นในสันเดาถึงจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งนสัญญา마เดือนพื้นเดือนปีพื้นปีลอยมือลอยพื้นในสันญา마จึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในสันลุศิลอยมือลอยพื้นในวันสันลุศิจึงเป็นวันหนึงน่งคืนหนึ่ ง, นนนงนในญญง PE, ใ น, น, ญญ น, น, น, น, ในิมมานารวตี ร่อยมือร่อยขื่อนนีนีมาในวัตถียงเนวันหนึ่งเพือนหนึ่งในปรณีมิตวสาวัตร่อยมือร่อยขื่อนเนีกรณีมิตรวะสาวัตถียิ่งเกินวันหนึ่งเพือนหนึ่งหน้าพทมังสัทาอร่อยมื่อร่อยขื่อนเนพุทมังสัทาจึงเกนวันหนึ่งเือนหนึ่งใน้าพมมธปรโิตาอ่อยมื่อร่อยเพื่อนเนี่พมมปรโิตาจึ่งเก็นวันหนึ่งเือนหนึ่งในปริตาผ้าอ่อยเมื่อร่อยเพือนเน่ปริตตาผ้าจึงเก็นวันหนึ่งเือนหนึ่ง ในอัปมาหน้าผ้ารอยมือลอยขึ้นในอัปมาหน้าผ้ายิงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งปริจทศชุด้ารอยมือลอยขึ้นในปริเทศประุภ้ายิ่งเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งอัปปามาสุภ้ารอยมือลอยขึ้นในอัปมามาสุภ้าจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในชุภผ้ากีหน้ากาลอยมือลอยขึ้นในชุดผ้ากีหน้ากา ยึ<จ auto>่งเป็นวันหนึ่งคืหนึ่งในีอสัญญาสักษาอยมือลอยขึ้นในีอสัญญาสักษาจึ่งเป็นวันหนึ่งคืหนึ่งในเวหาภาราลอยมือลอยขึ้นในเวหาภาราจึ่งเป็นวันหนึ่งคือหนึ่งในสุติศสกษาลอยมือลอยขึ้นในชุติศักษาจึงเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในสุตัสตรีลอยมือลอยขึ้นในสุตัสีจึ่งเป็นวันหนึ่งคืนหนึ่งในอากาศอาานิสกา ฝ่าขันไปจังหวัดมีพันแห่งขึ้นเบิงลูซัดเมีอ่อายุยืนถ้งแปดมืนสี่พันครับก็ดีหรือร้ายก็ยังก็ดีคือยั่งบรมันมาเทียงอยู่ในใจอำนาจของอานิจจังนี่แหมากเกิดนีวัฏจักรท้องสารเอกวอกที่เป็นโลกียพวกที่เกิดโล ก, กุตระบ้านให่มากเรือนสูงขึ้นไปเรื่อย เรื่ตำแหน่งสวยสุดเปลี่ยวบ้านไโง่ขึ้นมาสักเท้ามาย่องเที่ยวในวัฏจักร ส, สารแก้าหลงลินนา่ป้ายร่มแกมาล ง, นนลาลงจิตหลงขี่ลงนาหลงนอดหลงห àng, างกระดูกของเจ้พววาพอพระว่าท่านเบือ่อท่านนายในวัาจักร ส, สารขอเก็บไปเจ้ า, า, าขอในเบือ่อท่านนายใครเมาในวัฏจักร ส, สารกูสั่ว่าจะไม่แกสามาแล้ว มาให้นดีในมนุษย์สมบัติสรสมบัติพมสมบัติในบ้านสมบัติเหายินดีในมนุษย์สมัติพ่อได้สังมากพ่อได้ปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวาจะก่องสามจามสที่กำลังของกระพองจ า, สารสารนะผบไม่ได้วางว่าที่หายมาเป็นป เ, เพดเพลานี่ยอาหารสกิโตโหนี่ ว่าเราจเป็นสุขเถิดเลเราเป็นสุขกระจองเวนละชัวท์ธรรมดีสันโมละชัวท์ธรรดีจะแบบว่าบ่เมตตาจะของ่เมตตาตนเดี๋ยว่าเบียดเบียนตนได้จะของก็ระเมตตาจะไปเมตตาผู้อื่นทั้งหลายเลยจเอาทุ่นสายใยจะขอให้เฮ็ดเบียดเบียนจะของอยู่มุมี้กับเวรเงินเพืนจะเอาทุนไปใชไปเมตตาผู้อื่นไดวาวอาจารย์บ่เศร้าขาดรับทรัพย์เขาพื่อฟิสในกาม มาเศร้าเบียดเบยนเพิินไหนจะไหนสิเมตตาตัวได้ก็เบียดเบียนเพิินเพลินก็เบียดเบียนตัวเพนสร้างตตัวยาสร้างต่อมันนังกอบหน้าขาใส่ใายผงมันนั่งกลับใส่ผงวานงไรน้าเวเรนี้เวเรเวรย่ำไม่มีเวรเวรจากนี้จากเวรได้กับพระไม่ถูกเวรภัยกันนี้จากภัยได้กับพระไม่ถูกภทุกสิ่งทุกอย่าง เรื่องของทิพย์เมื่อข้าจะเอามาปฏิบัติอันไห้ก็เป็นตำมาฐานทิพเป็นธถ้ำทิพย์ตังางหากขานาวัดศีลวัดภาวนาวัดข้าไม่พอแต่เหตแต่ทำอยู่กัเพิ่นพุทธท่สูงจิตใจข้ากับไม่ข้ากับพ่อจะได้เหลื่อมใส่น้าเพิ่นโย่เมื่อมันข้าอึดข้าหยาบว่ได้ยืมผู้ใดยืมคิดยืมใจมานึกมาคิดแล้วก็บบได้วา่าข้ามีอิจฉาสนิณคิดอยู่ ค่อนึกคิดไปทั้งดี๋าวนาสันธรรมะสันสุขคนยังไปมีอีกไปกวนันไปอโคอารม์อารม์ไปทังบุเรียกว่าอารม์เรียกว่ากุศลารม์อารม์ไปทั้งบาปอกุศลารม์อารม์ไปทั้งมรคนี่พานเรียกว่ามรฆาลมานาธรรมา มัคคะเหตุุกาธรรมะมัคคะติปติโนธรรมะมันเป็นเหตุเป็นการปฏิบัติเป็นเหตุไปทั้งดีเป็นปฏิบัติไปทั้งดีแล้วก็เป็นเหตุไปทั้งตัวกับปฏิบัติทั้งตัวคําว่ามัคคะเหตุุกาธรรมะเป็นสองขั้วเหตุไปทั้งตัวมันก็ไปทั้งตัวเหตไปทั้งดีมันก็ไปทั้งดีมัคคะลัมนาธรรมา หมยทั้งหมักมักกับไม้ทั้งเหตุคือสัไเห็ดที่ทำดีทำชัวก็มันใจปเป็นู้เห็ดมะค่าที่ปาเตโน่ทำ ม, มาห้าวปาเตวัตไปเนี่เหตดดีมันก็เป็นดีข้าวปาเตวัดไปเนี่เหตุชัวมันก็เป็นชัวอุปป น, นาทั้มาอุปป น, นาทัมงมนเกิดึ้นได้ควมใจเข้าเลย ใชเอาเหตุแต่มันเกิดเป็นนของทิพย์ัดถิ่ทำบุญก็เป็นของทิพย์ิ่ทำบาปก็เป็นของทิพยทิพไปทั้งมดีทั้งบ า, บาไไดไดปไม่ได้เสื่อเลยขอผู้ใดเหตุบาปก็ะดานออกกับไก่นีด้วยเหตุบุญก็บผู้ดเสื่อเลยขอผู้ใดออกกับไก่นี่ด้วยขดดเข้าใจเป็นู้สั่งคือ จิตตาตามโถสาทุฝึกฝนเกตนั่นแหละเป็นดีจิตตังทันตังสุขาวหางจิตที่ฝึกฝนแล้วก็นำสุกมาให้มานาสุกมาให้เกจจิตที่ไม่ฝึกฝนก็นำทุกมาให้เิตธรรมะชั้นสูงเท่นี่ ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบเรียงแยดูรูปทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูเพราะสัตว์ทั้งหลายชอบฟังเสียงยังไม่เบื่อหน่ายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูกเพระสัตว์ทั้งหลายยินดีในดในการดมกลิ่น สัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีลิ่นพระสัตว์ทั้งหลายยินดีในการลิ้มรสสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีกายพระสัตว์ทั้งหลายต้องการเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายหรืออบอุ่นสัตว์ทั้งหลายทำไมจึงมีใจ เพราะสัตว์ทั้งหลายชอบนึกคิดเป็นธรรมะเบื่อสูงธรรมะเบื่อพันจะแตกจะหักถ้าสัตว์ทั้งหลายเบื่อเบื่อนายในตาด้วยแบบเย็นเย็นเบื่อนายในรูปแบบเย็นเย็นเบื่อนายในหูแบบเย็นเย็นเบื่อนายในเสียงแบบเย็นเย็นเบื่อนายใน รีบแบบเย็นเย็นเบืนายในจมูกแบบเย็นเย็นเบื่อน่ายในรีบแบบเย็นเย็นเบื่อนายในรุดในรดแบบเย็นเย็นเบื่อนายในกายแบบเย็นเย็นเบื่อนายในโหดชพระแบบเย็นเย็นเบื่อนายในใจแบบเย็นเย็นเบื่อนายในธรรมารมแบบเย็นเย็นซัดทั้งหลายก็พ้นเป็นพระอรหันต์ มาตัวแกเก็กเบตใจเลยนึกถึงอดีตก็ามายินดีในอดีตเห็นเป็นแต่สักว่าอดีตนึกถึงอนาคตก็มายินดีในอนาคตก็เป็นแต่สักว่าอนาคตนึกเห็นปัจจุบันก็มาเยินดีนปัจจุบันก็เป็นแต่สักว่าปัจจุบันท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็พ้นไปแล้วเพาไม่มีอุปทาน ทั้งดีตทั้งอนาคตทั้งปัจุบันด้วยวิญญามปฏิสัิย์ก็ไม่มีเราก็ไม่มีเขาก็ไม่มีดองสัญญาจัดเครื่องรองสัรญาออกแล้วท่นก็เข้าสู่พระนารไปสักเขาถอนอุปาทานในตัวแล้วเมื่อสำคัญแนละ้วไม่มีเราของเราจะมาจากประตูไหน มื่ไม่สําคัญ ม, มีท่านผู้อื่นของท่านผู้อื่นจะมีมาาจะบาจากประตูไหนมันก็มีแต่ดินหน้าไฟรมและสังขาในกองทุกเต็มยัดเยียดอยู่ในโลกท่านผู้ใจสูงธรรมสูงก็ต้องเห็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ทันกับกิเลสของเจ้าของธรรมะสั้นสูงท่านปัญญาธุระอย่างวิปัสสนาธุระมันใช่สมาธิธุร ะ, ะนั้นเป็นช่านวิปัสสนาธุระเนี่ย ไม่ใช่ว่าศีลธุระไม่ใช่ว่าสมาธิธุระว่าปัญญาธุระเพราะปัญญาศีลสมาธิก็อยู่ในอุ้งมือของปัญญาแล้วถ้ามีปัญญาศีลก็มีสมาธิก็มีรวมอยู่ในตัวเพราะปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาเกิดขึ้นจากสติสัมปชัญญะปัญญายะบริสุทธิ์สติคนจะบริสุทธิ์ในชั้นใด ก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าปัญญาแบ่งออกเป็นสองโลกียะปัญญาปัญญาในโลคีโลกุตระปัญญาปัญญาในพระสวสดาบาลเป็นต้นไปบัณฑิตก็แปลเป็นสองปริญญาในทางโลกีก็เรียกว่าบัณฑิตเหมือนกันในทางวัตถุอารมปริญญาในทางอารม์คติ ก็คือสุขกิปันโนดังที่ว่ามาแล้วนั้นสุขกจิปันโนก็มีเสียงห้าบริบูณไม่ใช่ได้อย่างรองและเมื่อเสียห้าผู้มาบวดเนี่ยก็ท้ศาสนาะถ้าหวังว่ามั้ท่าหวังมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภูมสมบัติอยู่ ความเมชันของท่านพ่อหน้าก็ขาดก็ทะลุก็ดา่าก็พ้อยในเมศุนสังโกเกตว่านภพภูมิพวามเมชันไม่พ้นไปจากโลกได้มีไหมความเมชันปัจจุบันในชาติแต่เป็นนิสัยได้อยู่ผู้อังพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติก็ต้องปรารถนาเพื่อพ้นทุกข์ในปัจจุบันในชาติปัจจุบันในชาติก็คือปัจจุบันนิตปัจจุบันธรรมนั่นเอง ผู้สร้างวารมาะมีแก่ข้ามาแล้วกเว้นมนุษย์สมบัติเว้นสวรรค์สมบัติเว้นทมสมบัติดิ่งถึงพระนิพพานสมบัติติ่งเดียวผู้สร้างมารมีแก่ข้ามาแล้วผู้ยังไม่สังเก่ข้าก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติภมสมบัติเป็นลำดับไปเสียก่อนเมื่อเห็นโทษในมนุษย์สมบัติว่าเป็นของมาเที่ยงเห็นโทษในสวรรค์สมบัติว่าเป็นของมาเที่ยง เห็นโทษในพรมสมบัต <ens> <ata> ิเราเป็นของไม่ที่อย่างเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแล้วแปรร้ายเมื่ออยู่ในอำนาจของผูกป่าชนะถ้าเห็นอย่างนี้ชัดแย่กว่ามันก็ดิ่งพระนิพพานสมบัติหน้าเดียวถ้ามันไม่เห็นอย่างนี้ชัดแย่มันก็ไม่ดึงจิตเจตนาเป็นของสําคัญมากเจตนาเป็นตัวเสียเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญาเจตนาหังพิโกเวสีลังวะด่านี้เจตนาหังพิโกเอ สมาธิวะดานิเจตนาสิโตปัญญาวะดานิมาฐานแต่และอย่างละอย่างมีพระพุพะทธธรรมประสงค์อยู่หมดเช่นพิจรณาความตายอย่างนี้ก็มีพระพุพะทธธรรมประสงค์อยู่ในตัว พระพุทธพระธรรมพระสงค์เป็นผู้มาสอนพิจารณาลมหาใจเขาออกก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงค์อยู่ในตัวเหมือนกันพระพุทธพระธรรมประสงค์มาสอนให้ทานก็มีพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ในตัวพระพุทธพระธรรมประสงค์มาสอนใ ห, ให้ให้ทา น, ะทะทนรักษาศีลภาวนาอันใดก็เหมือกันจะเวีน พ, พุทธธรรมสงฆ์ไม่ได้ไม่ถูกในทางตรงก็ถูกทาอ้อมอย่างนั้นเหมือนเราเดินไปแล้วจะเดินไปที่ไหนก็ตามขี่รถพื้นรถไปก็ตาม จะขี่เครื่องบินก็าตามมันก็ไม่พ้นดินก็ลงมาจอดที่ดินนัเอง mm hmm. ฉันในกรณีคําสอนแต่ละบทละบาทจนคำสอนของพระพุทธก็ทำประ ส, สงค์ทั้งนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คําสอนของพวกเราถ้าทับทันมาเป็นคําสอนของตอนเองก็ยกตนเทียมท่านเข mm hmm. าเรียกว่าอากตันยูก็ตีความหมายว่าพระพุทธเจ้าพูดยังไม่เก่งมันโตมันโตมันตัวพระพุทธเจ้าในเทพบดแล้วยัง ถึงไหนที่มาในเทศไม่มีเทยหมดแล้วเขาจะเก่งสักเพียงไหนก็ตามก็มาตามรอยพระบระมสาษษษษราีรเองพระธรรมพระสงค์นี่พระท่านวางไว้บริบูรณ์แล้วเราจะเก่งกาจอํานาจสักเพียงไหนก็ตามก็เรียกประมาณเลียมก้างท่านทั้งนั้นแหละเราจะเป็นคนจนคนรวยสักเพียงไหนก็ตามก็พระท่านเพราะพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าได้ผ่านมาแล้ว มารวยก็รวยในธรรมะหรือรวยในอาเมกรีพระพูธพระธรรมพระสงฆ์ผ่านมาแล้วผ่านก่อนเราแล้วก็จบการมาแล้วสิ่งไหนดีจิงได้เลือกมาสั่งสอนสัตว์ทั้งหลายมีเทวดาและมนุษย์เทวดาเป็นต้นจิงทรงพัว่าสัสดาเทว่ามนุษยานาง เป็นผู้สอนของเทวานาบรมนุทั้งหลายพุทโธแปลว่าผู้ตื่นจากหลับแล้วพักวาเป็นผู้จำแนกคาถ้าสำคัญว่าพระพุทธศาสนาอยู่เหนือโลกเจ้าพวงแล้วการยินดีในพุทธศาสนาก็มาในบังคับ ถยังสงสัยว่านัดที่อื่นๆจะยิ่งไปกว่าพระพุทธศาสนามันก็ลำบากเกิดมันกันเพราะเหตุใดจึงเข้าใจอย่างนั้นเพราะเหตยุยังขบพระพุทธศาสนาไม่แตกผู้ยินดีในอบาล ย, ยมก็คือยังไม่ได้ดื่มรดพระพุทธศาสนา เท่าที่ควรก็ได้ดื่มอยู่บ้างแล้วแต่ว่าไม่สมท่าทีของเราอยู่ด้วยถ้าความเห็นของเราอยู่ในระดับนั้นจะเป็นที่อบอุ่นใจของเราได้บ้างหรือไม่เราก็ถามดูสิเป็นที่อบอุ่นเป็นที่พึ่งพอแล้วหรือนั่นเป็นที่อบอุ่นเป็นที่ผึ่งองพ่อใจ ซาหัวมันจะตามไปเริ่มคีดมาการพยูยพูดได้ระพฤดสิบก็พูดถ้ำก็บป เ, เห็นหัวไปดอกไนมันเหาอเหิอนเอื่อยอากับไปได้ดอกไปไม่เห็นทางเส้นไม่เรื่ตัวไปได้ดอกมันก็พูดหัวมันละความเห็นเท่าไปใ น, นสังคมเป็นที่อบอุ่นใจเท้าไดเพระมันกับวนน่าใดเพราะเก่าถ้ามันบาเป็นที่อบอุ่นใจเทาเท่านะเท่ากับว่า้นเสียดาพที่จะหน้าใครค่วนมาปฏิบัติจะรับเก่า เงาะสั่นเงาะ็ุกจะเขาอบอุ่นเน่เธอทั้งหลายจงอยู่ให้มีที่พึ่งอย่าได้มีอย่าได้อยู่ไม่มีที่พึ่งเขาเป็นมปราศเว า, า, าเวลาของเธอมีน้อยนักหนา ข้ามสนะะอนจาราวัตรบาบเป็นพฤฤฤิะพุทธเจ้าเอานินเทาอย่างว่าเมื่อกว่าลนคืนมาเลยลูกหลานเวยพอขำ ม, มาแล้วลูกหลานจะไปยู้ฟังคนเดี๋ยวมามาเพลิดเอนินอย่าวเมือกว่เ่นคืนสมุดอันเสียงพฤฤยงระพุทธเจ้าเอินเอิญอย่า่เมื่อกว่นคืนมเมนแ ม, เม น, มเมนหูทิพมันต้องเป็นปัญญาทิพมันจะพอสิเลยน เพียงหูศีบอะไรเงี้ยเนปัญญาทิพย์มันจึงอะไเงี้ยเพรประกอบ้วยปัญญาจรงสอะไรเ้ยินไรเงี้ท่าปัญญาเนี่เออเนี่ยว่าเรื่อแมลงพืชนับแตนามโอขึ้นไปเห็นอบนอมเนี่ยลูกอรัญญานเลยเห็นเข้ารอบผ่านนอบนอบผู้สาวผู้แกผู้มีพุ่น ตอลอดทั้งพระพุทพระธรรมประสงค์คว น, น่นนรอบักจักไร้ขนแต่หาพระพพระธรรมประสงค์เมือจักไร้ขนสู่ พ, นพนเนี่พลาดเมือ่อวบนนอมเน่ยก็คารุฉันคารโาโจะนิาวาโตความคารบุบฉันทุติจะกตันโยตาวความสันโดตา ม, มีตามได้มันทัพยอย่างยิง่งความตันอย เป็นเอตมังขราามุตตมังเป็นมงคลของเทวดาแลามุทั้งหลายความเข็ร ค, ความสันโดษความเกียมตัวเป็นคำสอนของพระเจ้ทาทั้งหลายเป็นมงคลอันอุดมดีอยู่ที่ดวงใจไปฟังเทศหลวงพูมันเขาคิดเลยกำหนดลมหายใจเขาออกเพิ่นไหนยังหิจักบัดหน่อทาสันตําำสันสูงยัง เมื่อปตามควบเมาเันเขาสามารถที่อ้อตัวอยู่ฟังผู้ได้เตุสังารถือกัปธรรมะคนปรามว่าพรนเทิดดีเทิดวัดีเห็นวัดถือกัปธรรมะคนพรนเทิไว้วั ด, าวายยนนวดพระวาริงสันได้แห้วานวัดถือเป็นว่าไรานําความเสดคนเขาคิดภาวาาโรดคนว่าหลวงู่มาเคยภาวาาและเขาคิดภาวนราอนัน หายใจเข่าขังนึงมีทั้งเดินนามไฟล่อมลม่มีทั้งลูกเวทนาทานาัญญาทั้งขามเย็น ญ, ญาณเว้นไว้ถึงจที่โบอาลขันอานเด้เห็นมัดโหลดครบแปดมือที่พระธรรมาขันหายใจเข่าขังหนึ่งหายใจออกขังนึงครบแปดมือที่พระธรรมาขันครบทั้งเดินนามไฟล่มเพราะเด่นํามไฟล่มเรไม่ยู่ทุกลมหายใจเลย ควตายกับไม่ยอทุกเร้าหายใจมันครบบัดมรคนีพพ้านกับไม่ยอทุกเร้มหายใจครบบัดเน่ยควบดีกับไม่ยอทุกเร้มหายใจก็ครบบัดรควบชัวขันเท็จขืนกับไม่เยอะทุกเร้าหายใจเนยวันนี้จากของกุณฑชัดอันนี้เราก็ไ่สงสัยละกรรมาฐานที่เฮ่าตั้งไว้ฮ่าตั้งกรรมาฐานไว้บนไหนฮ่าวจะไปจะไปหนีจากกรรมาฐานเดิม ขี่หัาเลียมไหนก็ต้องอาศัยเรียมนั้นแต่กะโดดไปใช้หัวเลียมอื่นเ่อไตกาหามตายชีรถคันไหนก็ต้องอาศัยคันนันเห็นคันอื่นแรงมากก็โดดใช้บงรูเ<ม>ขาเ็ท่าน ย, ยุดอ่ะกรรมาฐานที่ตั้งไว้มันแปดมือีพธ ร, รมขันธ์ละกรรมฐานนิยังซา กรรมฐานพุทโธตั้งไว้กับครบแปดมื่นที่พระธรรมะขันธ์กรรมฐานธรรมโมตั้งไว้กับครบแปดมื่นที่พระธรรมะขันธ์กรรมฐานสังโคตั้งไว้กับครบแปดมื่นที่พระธรรมะขันธ์กรรมฐานลมหายใจเขาออกกับครบแปดมื่นที่พระธรรมะขันธ์กรรมฐานหางหางกระดูกอันนึงกับครบแปดมื่นที่พระธรรมขันธ์ผมเสร็นึงกัครบแปดมื่นที่พระธรรมะขันธ์ขึ้นมันขยุกับเข้าขยายเป็นว่าขยายเป็น เพราะพระุทธเจ้าว่าหายหลงผมมาส่วนตัวว่าห้โลภหายโกรธหายหลงผมมาัผมมันเป็นธาตุดินมาสักมันกซักว่าธาตุดินว่ามันของเห้าว่ามันของผู้เอือนมัมันอันตราธานเป็นมอโร่นลงไปกับไปเป็นดินมาขนเลยฟันมื่อนมาสักก็ครบแปดเมื่อนใชพระธรรมขันธ์มาผมยึดใ้อำนาจอันนี้จังมากิ็ขึ้นแล้วได้โร่นไปได้งอมาสัก อันอื่นคือสัตเห็นอันนึงสัตว์อันนี่ก็สัตว์บดกันสงสัยอันนึ่งก็สงสัยบดที่ว่าทางไหนนะถ้าว่าสัตว์ใช้ไปผนทุกได้กันจะไปแบกพระไตรปิรกไปเหียนไปทางไหนกับไปทีื่อรก็สืกับแบกพระไตรปิรกไปนั่นเองก็แบกไตรปิรุกทางนอกแบกไตรปิรกของเหามีเยอะเลขาสองแขนสองหัวหนึ่งเนี่ยพระไตรปิรุกลองลงมาหาใจกับมโนผู้พังนี้ลง ม, มาห า, ายใรกับ ทอน์ไฟนันก็พวไปนใจไปรกคือกันเมื่อคบดินน้าไฟร่องควบใจไปรกคือกันใจแปลว่าสามไปรกแปลว่าที่รวบรวมร พ, รพ่อจะหาผาใจไปรบทางนอก ต, กอ ต, กตกอัวบาลจะหาตกใจตวปอบาว่าที่พุทท้ัหพอสะรอ พอะหาร์ฮานก็ทอดช่องสาลโอะเรวพุทธอน้าตัวยูวัวน้าตัวนั่ยยนนั่มมโนภาพเข้าปเอายามาสั้นชายาเพราะเป็นตัวยู่ย่อสาลอ่าเร้อไปเอาวันอื่นหบุญกับบุญบุกับวเป็นตัวยูบ่ออ้ว่ตัวย่อผู้หญิงบุญนี้น้าหัวใจเขาปกันเขาเห็น บาปวเใช่ว่าตัวยุบอดตัวบ่อทระอาตัวปอตะกดก็ยุหัวใจเขากันเท่าเฮ็ดบาปห๋่าคะวัฒนมว่ามันตัวยุตัวลอทระอากับตัวข้อทระข้อควานัดะใครยังตดก็ยุในใจเขาผิท่อสารวันกับว่ามันยุตตัวท่อทระโอ้กับตัวอระก็ยุบคิดใจเขาผิแน่ขันบ่มี่กับบ่หมี่ย้่นหนเทาซละกับซละออกกลา ขันมีก็มีเยน่ๆิ้งที่ควรไห้มีอยอะแนี้กับเมธาระวัดศีระวัดพรวนาวัดก็เขามหามโนวัดอ่นี้หมดเนี่ยเหตแล้วเขามาหามโนวัตยังมาท่านเหตุก็เพาท่านเห็ุจากมโนวัดกาเหตุแล้วเหตุมหามโนวัดวางอะไอ่างนี้เอามาดีวัดอื่นวัดไพ่เนาะวัดที่อาศัยมโนวัยกายวัดวิีวัดมโนวัต อันนั้นวัดไพนได้วั ด, วดตละดเนี่ยอันวัดอันนี้วัดตัวดอเด็กตะกุดอันวัดตลาคือขอวัดเท่าขอวัดที่เทาทำดีถ้าสามารถทำใดจะทำาัวเท่า ย, ยัางส า, ยงสามารถทำใดเนี่ยถ้ารับตาเท่ากับย่างสามารถรับใด้อเท่าเฉื่มเงเทาเื่มืงก็เปลี่นก็ดเสีว่าตไม่เป็นปญัญหาอย่างไรสักมาถ้าทาตัวเท่ากัย่างทำใดมาถ้าทำดีมาถ้าว่าเปลี่ยนก็สีว่าตไม่เป็นปญัญหาอย่างไรสักเนี่ย อันนี้เป็นงาที่สอนเจ้าของหน่อยว่าขันบ่มีเนีขัผู้อื่นมาสอนมาผมบ่ร้องจะสอนสอนเอาข่าวพักตูเทากับข่าวเป็นบัรท่าออกออก็เป็นเหว่าตัวมีปัญญาอย่างไรอุบายสอนเจ้าของบัตรขี้านมันขี่ข้านเปลี่ยนบรรท่ามันผัดมันก็เปลี่ยนเหตว่าตัวมีปัญญาอย่างไรท่านนั่น มาถ้าเกิดแก้เก็บตายมันเป็นทุกข์นะครับมาถ้าสีออกจากทุกข์จากเกิดจากแก่กากเก็บจากตายผัมว่าประสงค์เห็ุก็ะเสวะโตมีอะไรง่ายอย่างไร เ, เนี่ยคำว่าเคล็ดลาบได้เกิดแก่เก็บตายแต่พี่แห่น่าปฏิบัติสินธรรมเพื่อบริหามาเกิดแก่เก็บตายสนะิท่านคำว่าเคล็ดคือคว่าเคล็ดลาบนั่นทางวอาหอนเนี่ยนะครับก็บห้องมีเนี่ยเป็นแกงบวเขา ว้ยหิวเข่าเด้พะทังเดีว่ย า, าเข่ามีกัไปกินใช่ไหมว้ายอึสินอึถ้ำเด้่ะทังเียวยกระชินทำกับมีเอาไปยังจังหวป่าพื่สัน่นวไปขอบ่กงั้นอันนี้เป็นอุบายสอนอย่าองมาแล้วทุกเิียงทุกยางมาเป็นของเหลือวิสัยขันไม่ศรัทธาหลือเหลือวิสัยบัดขันไม่ศรัทธาเพเหลือวิสัยไม่ศรัทธา ศรัทธาต้งมั่นแล้วยังประโยชน์ได้สาเร็จเขาเคยเจ้าจะหายไม่ศรัทธาก่อนหายเว้าพราพุทธรรมประสงค์ก่อนนะครับทุเจ้าคั้นดีคนดีทำในง่ายคว้สัวขนสัวทำในยากคนกลัวทำในง่ายขัมนสุด้นดีคนสัวทำในายากคว้นสัวขันดีทำในายาก หมูดพูดแมงว่นกินง่ายแมงพูแมงผึ่งแมงว่นกินง่ายแมงพูแมงผึ่งเกสรดอกไม้แมงพูแมงผิ่งกินง่ายจะหมดพูดแมงพูแมงพิ่งกินง่ายเกสรดอกไม้แมงว่นกินยากต้องไปเอามัานข่มง่ายมันกง่ายแล้วก็พูพ่อใจข้าแน่ว่าพ่อใจยากวัดปันดึงขาเตา บอกแค้นงว่วงะตัวแดกมันพ่อใจนะพ่อไสแอกแล้วมันเอาพ่อสอดเขาเขียนซ้าเห็นง่วไท่เมื่อเงาดอนเงเนาะบักนาคซื้อมันเจ้าของเราซื้อว่าท e ิษเปย์เราไสเขียนตัวนั้นบักนาคบักยุดข้อข้ารอดเดี๋ยวไสทางแต่แอกเดี๋ยวเอาแจ็ลุกแอกมาเสียพาย ตันึ่งเขาแล้วพวกเขากั๊บโรดมันเือไปขอายมันความพ่อใจ่มันมั่วตัวหนึ่งผู้ขาอุนยมึงั่วไาตัวนั้นพอนดอกพรโลนขืนท่าเนี่ยคุเขาเลยมันพ่อใจมันมันปชุพว่าเขาความพ่อใจมันน่ เขาก็เกื้อเกื้นทาใส่เขียนมัดเงินกับไม่ง้วตัวเดียวแล้วมันดีกว่าเขาตัวเขาไม่ง้ออะไรตัวเขาไม่ไตัวกระไรอันนี้พันอันนี้ข้าพเอ้าใจมันเข้าเหงานข้าพเอ้าใจไปทังนี้ทั้งต่วมันจะเลือกเอกได้บ้าง เทาให้พระพุทธเจ้าหัดบอกว่าให้กิเลสพฮาหัดเท่าเท่าที่ยอมเป็นบาวกิเลสทังสี่ย่อมเป็นบาวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่อันหนึ่นงกิเลสขีข้อเข้ามาไร้สราระครบแล้วอารมณ์โกรธหลงนี่ ก, ก็ได้เามายอมใหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขีข้อ ข้าให้ทักขี้เลยขี้ข้อร้ายหัวเลยถ้าสิื่ว่าเอามันล่งจากใจบอเข้าเชื่อเอาพระพุทธธรมประสงค์ขีหัวข้าบอหัวใจเลยเอาพระพุทธธมประสงค์ขีหัวข้าพเจ้ามัละค่วมดีเนี่ยละค่วมส่วนพระพุทธดีจริงข้าเช็ดค่วมส่วนประสุทธพระพุทธเจ้า ก็สดพระธรรมพระสงฆ์พระที่อัศยงดข้าวยังเพื่อนเขาตัวเพื่อนญาติเ่ยมันอัจนอนรรย์เลยอัศยงดน่เพื่อนเขาสูวเพื่อนาเ่ยเขาจะอัศยงดขาวยังก็าจะอัศจรรย์ า, นานวยังก็ไม่ จ, จะเท่าเลยเป็นทุกตัวนีงอัได้ก็บอกแล้วอันไหก็บอกแล้วมูตโตว่เอาเขาเป็นผูาพื่ท้องมูโ้โตแล้วพพทีเ่เจ้าวันวานเท่าเขาไม่ได้เพียงโทษเ่านาี้ อันนั้นเพราะท่านในซ้อนอันนี้กับว่าในซ้อนเป็นน้ำห่อไงละ่เะเขาจะเจาะกับว่ า, วาในซ้อนมัดแน่เขาพว่าเออเสีล่าลูกล่าล้านไปละ เ, ววเน้อหวานเป็นตัวตัวที่เจาะทเขาสู่กันในควาดไปรตหรือาเล่าฮ่เป็นคำไถกับว่าไปอีวหนึ่งลอกเป็นคำเล่าฮะเสีล่าลูกล่าล้านไปละถ้ากันคอยอยู่หรือยาพักันประมาทเน้อ สขาทั้งหลายมันบเทียงดล้วหายภาคกันไม่คีเกะไม่คีเพืองท่ปาประโยชน์ตนประโยชน์ทูอืน่นหายจึงพอมเหนื่อยเพราะมะมาถตอนนั้นพระองค์ยาก็เลยเงียบอันารย์อันนี้นนแด้เพราะว่าหลวพูอทีเจ้าพระคิดประวาราาัติหน้าจารบินบญธาบาตใช้เ ข, ขาก็าว่าหายบกหั่อ ร, รดมากทั้งพวกกขว่าวยันดีเอาเขาจางวันนี้ท่านก็บกพรมากยืนควางบานเท่ามัน ขีสเสนียงมาเสียวา่ญญาเสนาพระตาพระองค์เก่ามูอห้าได้รับกระทบกระเทือนมาทอพระองค์เก่าเด้่ยฝนองพระองค์เก่ายังมาลื้อห้าออกจากวัดจ้าช่องแางยังอุตสาเป็นพระพุทธเจ้าเจนได้แต่พุทเจ้าค่อยจักษาจะพบมาอ่านี้นผมว่าท่านนะสังกัด น, นี้นะเพลย่างใ น, นว่าเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้ห้าว่าด้ล่องพุ่งฝันเนอกพุมงสาวอก ใาหอดูกหอดเนี้ท่านหอดสิ่งหอดของใช่เป็นพระเวสสันดรกนเทากันไรพระองค์เก่านี้กุะโยกเขาสิ่ีลงกดผลเออไรห้างนี้ก็ดีโยสั่งห้างสิ่งใต่างสิ่งใประเทวัดสิ่งทำแน่สั่งจะไปส่แล้วสร่างห้างห้อท่านห้องบริเอบของระทาทวดมาท่านเมื่อไรห้องนี้ก็แค่สั่งห้อยส่งตางส่งใดประเทศวดสิ่งทำแน่สจะไป่งแลวสรางห้ออท่นห้องบริเอพะท้าทวดมาท่นเมื่อไรหองน้ก็ดีโยสั ในห้องนเนี่ยบมดคำว่าแล้วเหง้าตายจะเขา่าคนหาเมื่อก็ไม่ได้กินเอี๊ยมใจร้ายเป็นศาสตร์กระซักแท้ๆก็กินสำหรับกับเขายางหลีส่อเยปกินเขาแน่บาทคือหากม้าเนี่ยเขาไ่ได้ใส่หอใส่บมีถุงผ้าจะติกก๊กคือเหา อ, อน้ปนเขากะเทศจะหันรแกงเขากะเทศจะหันรบาทจล่าเขาเองพรเก่าห้อง แต่ผู้เดียวเกี้ยวกายยากเพราะอะไรสำเร็จพระอรหารมากเลยแต่พระสาวกมาแเลยหาชิปท้องชิปองลาซาซาปาาล้ไปนั่งห้าวยาละห้าวไปผู้เดียวห้าวมุ่ดเต้าไปปุ๊บกระเจ้าแไปร่วมกันเน้ะเห็นจ๊วักผู้นั้นไปนั่งห้าวซะผู้นี้ไปนั่งห้าวซะพราะอะไรจับเศษจับเอ๋ยไหนห้าวเนี่ยข้าที่ห้าวปวดแขงปวดขาปวดเว่าท้่พระองค์เจ้านั่น าเชียเขาก็ใส่แจเขาหอกินมีพ่อไปบินทัพอ า, าเน่แต่ได้ไส่ไหอจ เ, เขาแล้วพัานานิ้มแจเข่าบอกแตเขาใส่หอที่ใหญ่ๆเลยนี่เนี้ยมันจะไม่ปัญญาว่าแนบอกยิ้มไซต์งา น, นบอกเ <c oughs> นี้ไม่ใช่ยิ้มไซตขีแงานบอกปัญญาของพ่วน้าว่านสู่แม่ยไฟว่าไรงา น, นบอก ว่าเอาละสวรอาหน่เบ็บลถแม่งหรอกน่ออะก็เ่าท่านรวนเนี้ยลรอเอิญพอลรถพอพอลพ อ, พ อ, พอรถเย็ดเท่ามันได้กำลังมาจใส่เนาะม่คุ้อะไรเลยฮะหนอ น, น, น, อ น, นี่กใคร้กำหนลดลมให้จับออกหรอบลับง่ายเทิกหานาพี่หลังมลยท่านมาไปทางไหนอะเขีรถ ด, ดีๆซะ่ะ มื่ดังเป้เงียบเงแม่หมอนั่งก็นาบแมู่ก็เอสุดดแม่อนนเดินกินยาเพรแห้งอะ้ไน่นเดินกินยาพราแห้งอะไรจังมาไหนซาลาจเซ่นี่ยมันมันเขียมาไหอยังเสียรลดเลยไนยังเสียแม่งของโตว่ะสิของพระโพธิ์พระธรรมพระโต้ ห้องอุบาสก์อุบาสิกาห้องมูห้องเพื่อนแะว่ามันท้องตัวตกกเดียวแหละขี่เพิ่นนำร่ายเพิ่นนำร่ายเ้ิ่นประทับ ป, ประสงะเลยห่อใส่ห้อยมูห่อแบบกำนังพ่อหน้าเขาแล้วอยากฮ้อไปคือพ่อหมอกข้าร่ารถนั่งประไว้แล้วเนี่ยคุว่าจะนั่งพ่อหน้าเขาเพิ่อนอยาก แสดงอาพี่หนฐาระไปแค่เทศเอาเขาคนห่อไปเนียมันบว ร, ร่วมจิแตแังนเงนครับนกมันก็บินได้ตัวเนยังไงเขาเขายังม า, างมเห็นว่าสักตุนาสนานาคกษามเีเลยปา ร, รถ์มึงมันกัมนต์ดินได้ก็เอาพี่ในหานมันเขาธรมาวามัตฉาสารณนาคามเีเลย โยนจบวะเอาแลาวเฮ้าก็เริ่มข้าวไปเลยข้าไปนี่ก็หอหายพี่น้องเฮ้าทั้งหลายทุกชวนหนาโดยเด็กขึ้น พ, พระพุทธธรรมเคสูงอันชงพระคุณคาหาประมาณว่าไม่ได้ยังระสบจะ ค, คษษึ้นชุกขึ้นแต่เออแม่บอกว่าเราพุทธศาสตร์แล้วของวัฒน า, าชั้นพุทธเจ้าของเฮ้าท่างยืนเดื่นนั่ง น, นอดรับตื่นอยู่ทุกเมืองรไม่ประมาณนั่นกาะคาเธอร์นะครับ